ท่านฟังค่แต่ละนาทีในรายการสรนสนีสนทนาซึ่งเรามีเพียงวันละประมาณครึ่งชั่วโมงรวมหัวรวมท้ายด้วยเนี่ยก็พยายามจะใช้ให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากที่สุดเราได้ฟังพระสูตรผ่านไปกับพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาปปงแล้วตอนนี้มาพบกับพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งนะคะจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดดรนทานีคือพระภัยบูร์อภิปุลโนซึ่งจะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะน้อมสักการะท่านค่ะอาจารยนปรน วันนี้มีคําถามแรกเนี่ยเทียนชอบคําถามนี้มากเลยเพราะว่าเคยทําแต่ไม่เคยสงสัยว่าถูกหรือผิดและเชื่อว่าคงมีคนทําอยู่เยอะท่านฟังก็อาจจะเคยก็ได้นะคะ เ, เคยชมว่าพระหล่อไหมคะท่านฟังคือท่านฟังท่านเนี้ยชื่อคุณชิรานีบอกว่าเมื่อเห็นพระสง์รูปร่างหน้าตาดีเกิดความชื่นชมและพูดชมกับเพื่อนนะคะว่าพระรูปนี้หล่อจังไม่ทราบว่า บาปหรือเปล่าควรหรือไม่ควรก็ท่านค่ะอก็ต้องแยกเป็นประเด็นว่าถ้าพูดโกหกเนี่ยก็คงไม่ใช่ใช่ไหมการพูดโกหกนี่คือการพูดที่เขาเรียกว่าหลอกลวงจากความความเป็นจริงของโลกใช่ไหมอันนี้มันก็จะไปผิดข้อผิดธรรมะในส่วนของม้าแ8คือพูดเรื่องที่เฟอร์เจอรพูดเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิน่ะ ผิดศินข้อห้าสินข้อห้าด้วหมไม่ผิดเหรอคะเพราะว่าสินห้าไม่มีการพูดเพิรเจอใช่ไหมเพราะนันถ้าอันนี้ถือว่าพูดเพิรเจอร์เหรอคะถ้าพูดโกหกคือท่านพูดถึงเรื่องท่าพูดโกหกค่ะถ้าถ้าพูดโกหกคือในใจเราคิดว่าพระองค์นี้ไม่หล่อหราโอกหน้าก็ปูกปูป้๊มๆแต่ว่าเราก็พูดไปว่าท่านหล่ออย่างนี้นะอันนี้เป็นการพูดโกหกอันนี้ผิดศีสินแต่ว่าถ้าถ้าคิดว่าพระองค์นี้รูปงามจริงแล้วเราพูดไปเนี่ยด้วยจิตที่มีความกําหนัดอยู่ในใจ อันนี้ก็ผิดธรรมไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมผิดธรรมตรงไหนผิดธรรมตรงที่ว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอรู้ไหมว่าคนเขามากราบไหว้เธอเพราะอะไระเพราะว่าหนึ่งเราเนี่ยไม่เป็นผู้หาความสุขด้วยการเสพการ ค, นะความเสพการคืออะไรก็คือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างใช่ไหม คิดดูจีวอก็อย่างเงี้ยเอาผ้ามาต่อๆการย้อมด้วยน้ําฝาดมันจะไปเลือหรูขนาดว่าใส่กางเกงด็อกเกอร์เสื้อเวสซ่าเช่มันไม่ได้เนี่ยเหรอไหมมันก็ได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่เสพกามเพราะฉนั้นบุคคลทั่วไปจึงเคารพจึงควรที่จะยกย่องกล่าวไว้ประสงค์ด้วยเหตุนี้ทีนี้ไม่ใช่เหตุว่าพระองค์นี้หรอเราถึงจะกล่าวไว้ท่านนี่เหรอหทีนี้ถ้าความคิดนั้นเนี่ยเป็นความคิดไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนะคือความคิดไปในทางการเมื่อไหรปุ๊บ อาอันนี้เป็นมิจฉาสังกป ะ, ะผิดธรรมอ๋ออันนี้คือมิจฉาสังกปะความคิดในทางที่ในทางกรมจะเป็นมิจฉาสังกปะเป็นการดำริไม่ชอบดำริผิดค่ะดำริผิดทีนี้ถามว่าบาปไหมบาปคืออะไรล่ะบาปคือความเศร้าหมองของจิตบาปคือความที่จิตจะต้องตกต่มลงไปอยู่ในแดนลบ อ, อยู่ในสิ่งที่เป็นอกุศลนี่คือบาป เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรักษาจิตของเราเนี่ยถ้าควรจะยกย่องพระสงฆ์เนี่นะเรามาขอให้ยกย่องพระสงฆ์ในเรื่องของศีลสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะโอ้พระสงฆ์รูปนี้มีศีลงางดงามพระุทธเจ้าบอกว่าศีลของพระเนี่ยเปรียบเหมือนกับกลิ่นของดอกไม้ซึ่งสามารถทวนลมไปได้มไม่มีกลิ่นของดอกไม้ใดทวนลมไปได้แต่กลิ่นของศีลนี่แหละทวนลมไปไดนะ้แล้วก็ควรจะยกย่องพระสงฆ์ด้วยข้อปฏิบัติ เขคือศีของท่านทั้งส่วนที่เป็นอภิสมะจารย์ก็ดีส่วนที่เป็นสีในเบื้งองต้นแห่งพระมจาร์ก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าท่านหนุ่มผ้าสีอะไรท่านหน้าตาเป็นยังไงจมูกอยู่ใต้ตาโอ้ถูกต้องแล้วก็ยกย่องท่านด้วยเห็นนั้นไม่ใช่ค่ะอันนี้ครบทุกประเด็นหรือยังคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเราพูดชมกับเพื่อนๆเนี่ยเราควรจะนอกจากพูดเรื่องสีแล้วเนี่ยนะเราควรจะ ยกย่องพระองค์นั้นในเรื่องของศีลและเรื่องของการปฏิบตัติคือการเราเนี่ยจะต้องฝึกจิตของเราอย่าไปคิดในเรื่องที่เป็นกามอย่างนั้นเนีเอไอเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถฝึกจิตได้เห็นษาที่ชอบใจไม่ไหลาตามเห็นษาที่ชอบใจนิ่งเอาไว้ได้และนิ่งคือจิตนะปากเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงเลยเนีงไงไม่มการกระทาเนี่ยคือกายวาจาใจเนี่ยเหอกายเนี่ยเราไม่ขนาดว่าไป ทำให้พระสึกออกมาใช่ไหมค่ะเราไม่ทําอย่างนั้นดีแล้ ว, วาจารเราก็ไม่พูดจิตเราก็ไม่คิดแม่ ม, มันจะดีมากกายวาจาใจารบริสุทธิ์หมดค่ะทีนี้บางทีเนี่ยมันเหมือนกับบางคนไวไงคะสมองทงา<ช>ําทงานไวปากทํางานไวเท่ากับสมองเลยอาจจะทํางานช้ากว่ากันนิดหน่อยมันเป็นไปได้บ่อยๆเหมือนกับว่าเป็นธรรมดาอ่าพอเห็นรูปชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยคนเราก็มักจะแสดงความรู้สึก ออกมาโดยเฉพาะถ้าอยู่กับคนที่สนิทพูดได้หรือบางทีอาจจะพูดเล่นด้วยซ้ำว่าทาั้งๆที่รู้ว่าจริงๆไม่ควรพูดกับพระหรอกแต่เพื่อที่จะพูดให้เธอเห็นเหมือนชั้นไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นน่าจะมาจะบอกอย่างนี้และว่าถ้าจะไปยึดนะให้ยึดความเาเรียกว่ารูปงามของพระเนี่ยยังจะดีสักกว่ายึดความเป็นตัวตนของพระองนี้พระพูทธเาบอกว่าถ้ายึดนะให้ยึดเอารูปดีกว่าที่จะยึดจิต เป็นตัวเป็นตนเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ดับไปนะมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอีกดับมันเกิดขึ้นดับไปตลอดวันตลอดคืนแต่รูปนี่สิมันจะต้องมีความ80ปี90ปีมันจะต้องเสื่อมสลายได้บ้าพระองค์นี้จะต้องมีถึงวันหนึ่งที่ท่านรูปไม่งามพอท่านรูปไม่งามแล้วเราจะปล่อยวางได้อันนี้จะดีกว่าถ้านาจารย์คะงั้นเดี๋ยวท่านต้องช่วยกรุณายกตัวอย่างว่าถ้ายึดให้ยึดรูปดีกว่ายึดความเป็นตัวตนของพระหมายความว่า อย่าไปายึดติดอยู่กับพระรูปนั้นว่าต้องพระองค์นี้ต้องสอนอย่างนี้ต้องคําสอนอย่างนี้อย่างนี้เท่า น, นั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอย่างอื่นอะไรมาเราด่าหมดอาจารย์ฉันดีอาจารย์คน อ, อ, อื่นไม่ดีอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ถูกต้องออเพรา ะ, ะว่าอันนี้คือยึดเอาเรื่องของจิตโดยความเป็นตัวตนเรื่องของสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นนมามธรรมดิฉันอาจจะยกตัวอย่างแบบมันก็เข้าทางมากเกินไปเอาตัวอย่างแบบดีอยู่นี้หน่อยยึด พระอาจารย์ของดิฉันไม่เปรียบเทียบคนอื่นอออันนี้ก็ถือว่ายึดเหมือนกันไหมคะยึดยึดยึดอันไหนยึดมากกว่า ก, กันคะระหว่างที่ไปเปรียบว่าอาจารย์ฉันดีกว่าอาจารย์เธอเนี่ยหมายความว่ายึดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอให้ลองคิดดูพระพุทธเจ้าถามคำถามนี้กับพรคะมีไหมเนาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ที่เมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ ท่านผู้ฟังคิดตามอีกทีหนึ่งมีอยู่หรือไม่เนอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ค่ ะ, ะที่พระอาจารย์ไพบูลได้กล่าวอยู่เรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นพุทธวจนะทั้งนั้นนะคะแล้วก็ดิฉันจําได้ว่าจะอยู่ในร้อยแปตถาคตภาสิกซึ่งพอพ้นปีใหม่มาเราก็ไม่ได้แจกเนี่ยกำลังคิดจะหาสตางมาพิมพ์เพิ่มแล้วเพราะกําลังคิดว่าถ้าฟังรายการนี้ให้ได้ประโยชน์เนี่ยนะคะ หรือฟังการเปิดธรรมที่ถูกปิดทั่วๆไปเนี่ยท่านควรจะมีพื้นมีพุทวจะนะอยู่ในมือเป็นเป็นอาวุธควัก <c oughs> <c oughs> เอามามากลางดูกันนะครับแล้วท่านจะได้ไปใคร่ครวนถ้าจะยึดยึดรูปดีกว่ายึดจิตยึดจิตทีนี้มีอยู่ยหรือไม่หม อ, หอที่ที่เราเมื่อยึดถือแล้วจะเป็นมูอหาโทษไม่ได้คิดดูดีเลยคืนนี้ไปนั่งคิดนอนคิดเลยไม่มีเลย ในโลกนี้ที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ไม่มีเลยพระพุทธก็ยึดถือไม่ได้พระธรรมก็ยึดถือไม่ได้ยึดพระแล้วเนี่ยนะคะเอา้าก็ยึดก็ต้องพรุ่งนี้ต้องทิ้งหมดต้องปล่อยวางหมดและเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนจะป่วยกล่าวไปยายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมถ้าสมมุติว่ายึดพระอ่าบางคนอาจจะบอกว่าเออพอเข้าใจได้เพราะว่าไปยึดท่านทําไมท่านก็เป็นพระใช่ไหมคะเนื้อกว่าท่านคือธรรมยึดธรรมแล้วค่ะท่านพระพุทธพระธรรมบอกว่าให้พึ่งตน้น พึ่งตนพึ่งทำแปลว่าทำก็ต้องละเหรอคะอ่าก็พระพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายก็เป็นอนัตตาอืมค่ะทำทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเมื่อเห็นทำโดยความเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยทำก็ต้องเราก็ต้องปล่อยวางนั่นอย่างจักรุไรกาปยาถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมค่ะอย่างกรณีที่สมมุติคนที่ยึดโหเนี่ยเจอเลยคําพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่องทุกวันเลยท่องกับพระพุทธเจ้าเลยิทุกวันค่ะแล้วต้องคําพระพุทธเจ้าเท่านั้น ไงถ้าเรายึดกคำพระเจ้าเท่านั้นเลยนะค่ะแล้วเป็นเหตุให้เราต้องไปด่าคนอื่นว่าเขามีการตกเลือดตกยางออกทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแปลผิดอผิดเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าคําสองพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าทะเลาะ ก, กันหาไม่เจอครับตถาคตพาสิทธิที่ท่านว่ายึดแล้วไม่มีอะไรที่ยึดแล้วไม่ทุกข์ท่านช่วยพูดอีกทีได้ไหมคะพุทธวจนะนั้นพุทธวจนะ น, นั้นบอกว่ามีอยู่หรือไม่หนอ สิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้ที่เมื่อยึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคำคำตอบของที่ว่าที่อาตมาบอกว่าถ้ายึดเอาพระรูปนี้นะเห็นว่าพระรูปนี้รูปงามเนี่ยอันนั้นยังจะดีกว่าที่เห็นว่าคําสอนของพระองค์นั้นหรือสิ่งที่เป็นนามรธรรม ที่เกิดขึ้นในจิตเราก็ตามจิตเขาก็ตามยึดสิ่งนั้นแล้วไม่ดีเอารูปเป็นดีกว่าเพราะอีกสิปี20ปีไปความรูปงามนี้จะหายไปจะทําให้เราเกิดความคลายกําหนัดได้บ้างวางปล่อยวางได้บ้างค่ะอย่างไรก็ตามอย่าไปยึดทั้งหมดเลยดแต่<ร>สําหรับคําถามนี้เมื่อเห็นพระสง์รูปร่างหน้าตาดีเกิดความชื่นชมและพูดชมกับเพื่อนพระรูปนี้หล่อจังเป็นบาปหรือไม่ถ้าอาจารย์ภับูรณ์บอกว่ามีหลายประเด็น ถ้าพูดโกโหกก็ผิดศีลถ<อ>้าหากว่าเป็นไม่จริงตามที่พูดนะคะก็ผิดธรรมเป็น<จ>มิจฉาสังกัปปะใช่ทีนี้ถ้าถามว่าเป็นบาปไหมคําตอบคือเป็นมีทางแก้ไหมมี เ, <อ>เป็นเป็นบาปยังไงคะท่านคะ เ, เพราะว่าความบาปคือความสกปรกของจิตจิตเราเปื้อนด้วยสิ่งที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่กุศลธราทำหมายวิธีแก้ทํำยังไงเอาก็แก้ตามธรรมใช่ไหมแต่แก้ตามธรรมก็คือว่าปล่อยวาง นะหรือว่าพิจรนารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้ายกย่องพระควรยกย่องเรื่องศีลต่างตอย่างนี้จะดีกว่าบางทีในบางเวลาบ่อยซะด้วยอืยิ่งถ้าอยู่กับเพื่อนเอนมนุษย์เราจะคึกขนอง <c oughs> อ, นนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแล้วบางทีเราก็ไม่มีเจตนาเราก็รู้ว่าไม่ควรแต่ก็โอ้โหต้องคบเพื่อนดีไงเพื่อนพาไปหาพระดีฉันเคยพาเพื่อนมาหาพร ะ, ะจริ ง, จ ร, งจริงค่ะ อันนี้พูดด้วยความเคารพเพื่อนละรักเขานะคะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเลยด้วยควาสนิทกับเราเขาก็อุทานมาบนวัดเนี่ยนะคะเสียงค่อนข้างดังโอ้พระหลอดจังอย่างนี้ค่ะก็นะคะไม่ได้เป็นความผิดบาปนักหนาถ้าท่านไม่ได้มีเจตนาเพียงแต่ว่าเราก็มาช่วยทําให้ความควรจะเป็นได้ควรจะเป็นด้วยกันเาจมามีเรื่องเล่าสั้นๆนิดหนึ่งค่ะอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะแต่เป็นเรื่องเล่าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกว่ามีมี พระรา บ, บดีคนหนึ่งได้ชมพระหมากระจานะค่ะพระหมากระจานะเป็นพระที่รูปงามมากๆแล้วพอพระรา บ, บดีคนเนี้ได้ชมพระหมากระจานะบอกโอ้ โ, โ, อ โ, โ, อโพราอนี้ทําไมรูปงามขนาดนี้แมน่าจะมีเมียแบบนี้บ้างมชมแค่นี้นะตัวเองเนี่ยด้วยผลการมมันนี้เนี่ยทําให้ตัวเองกลายเป็นผู้หญิงไปเลย <c oughs> คืออันนี้เป็นเรื่องเล่าอยู่ในพระไตรปิฎกนะ <c oughs> อันนี้ไม่ให้ให้ฟังด้วยการใช้วิจารณญาณ น, นะอันนี้ไม่ใช่พุทธาจนะนะแต่ว่าก็เลยอยากจะมาเสริมในเรื่องนี้หน่อยหนึ่ง แล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นนิทานอยู่ในชาดกนั่นแหละก็จะขอยกไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าก็เคยมีพระรูปงามในสมัยพุทธกาลมีมากพระมหากระจ้านะเนี่ยรูปงามมากจนกระทั่งภายหลังเนี่ยจึงอธิษฐานให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนอ้วนท้วมสมบูรณ์เป็นที่เราพบกันในเมืองไทยก็เป็นพระสังกจานี่ค่ะเคยสงสัยนะคะว่าพระสังกจานี่มีจริงหรือไม่ในพุทธกาลค่ะพระมหากระจานะมีจริงนะที่นี้ ทางในเมืองจีนนะผู้ที่นับถือศาสนาพุทในเมืองจีนเนี่ยท่านก็พบว่าพระเรียกกันว่าพระสังกระจายซึ่งสืบไปสืบมาที่มาก็คือองค์เดียวกันพระสังกระจายก็คือพระมหากจานะารณะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการขยายความแต่แล้วรเรื่องที่ออบอกว่าเพราะความที่ท่านเป็นคนรูปงามรูปงามต่อมาท่านก็เลย อธิษฐานเพราะว่าพอทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุทําให้กระดับบารีคนนี้ต้องไปเปลี่ยนจากเพศชายเป็นเพศหญิงพอเปลี่ยนเป็นเพศหญิงไปมีภรรยะาไปมีสา ม, มีมีลูกอีกสองคนแล้วสุดท้ายมาขอเข้ามาเปลี่ยนกลับมาเป็นเพศชายแล้วมาบวชได้ทราบว่ามาถือนิสัยกับตัวเองแล้วพบว่าตัวเองเป็นเหตุให้เขาต้องเปลี่ยนเพศมีความทุกข์ทรมานอะไรต่างเนี่ยก็เลยอธิษฐานจิตว่าเออขอให้เราอยากเป็นรูปงามเลย ว่นวุ่นสมบูรณ์ไปค่ะแต่ท่านผู้ฟังต้องตั้งหลักกันดีๆนะคะอาไม่ใช่วจนะนะพยายามอธิบายเพราะรายการเราเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผูทวัจนะก็เลยแยกส่วนให้เห็นชัดเจนว่าส่วนนี้ไม่ใช่ผูทวัจนะแต่ว่าในส่วนของพระมหากัดใจนะเนี่ยในผูทวัจนะเนี่ยมีกล่าวถึงเพียงแต่ตำนานนี้ไม่มีการกล่าวถึงใช่ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็ดิฉันรู้สึกว่าอ๋อเราก็ได้รู้ แล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดพลั้งในลักษณะคำถาม <c oughs> ที่ได้ถามในวันนี้จริงๆนะคะ <c oughs> เราก็เลยได้รับความรู้มาเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอีกคำถามหนึ่งมไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่าตรงกันข้ามเมื่อเห็นพระภิกษุประพฤติไม่เหมาะสมแล้วตำหนิท่านบาปไหมคะก็บาปแน่นอน ถ้ท่านทําไม่ถูกจริงๆทําทำไม่ถูกจริงๆก็แบบแน่นอนงงเพราะว่า<ะ>พระพุทธาบอกว่าเธอผู้ใดที่ด่าบริาพาทเพื่อนผู้ประพฤติรพรหมจรรย์ด้วยกันเนี่ยจะต้องถึงความชิบหายเสียบทสิบเอ็ดอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใช้คํานี้เหรอคะถึงแก่การชิบหายอ๋อคะ่ะสิเอ็ดอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งก็คื อ, อโดยบป็นชนะพระพุทธาบอกว่าเธอผู้ใดด่าบริาพาทเพื่อนประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายติเตียนพระอริยเจ้าข้อนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาส ที่เธอนั้นจะไม่พึงถึงความชิ ป, ชปหายสิบเอ็ดอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอ mm. เพราะฉะนั้นคืออย่างสมมุติพระสงฆ์ทําไม่ดีเนี่ยนะคือในระบบของสองฆ์เนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลอยู่แล้วว่าเออถ้าองค์นี้ทําไม่ดีเธอรู้ว่าเธอทําไม่ดีเธอเปิดเผยออกมาการเปิดเผยออกมาเนี่ยทำให้มิจฉาทิฏฐิ ด, ดับไปค่ะอันนี้เราเราจะสามารถขยายความกันได้อีกในตอนต่อๆไปแต่ว่าคือถ้าใครทําไม่ดีเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไป เ, เขาเรียกว่าประเมินวัดสอบบุคคล นี่หรือเปล่าที่เราต้องทําคือรักษาจิตของเรามากๆเลยอย่าให้มีพยาบาทกับคนนั้นอย่าให้มีการพยาบาทเบียดเบียนกับคนอื่นๆไม่ได้ท่านอาจารย์คะเดี๋ยวถามอีกนิดนึงอันนี้เป็นการที่พระติเตียนพระด้วยกันเองหรือว่าคารวาติเตียนพระก็บาปแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยพระติเตียนพระก็บาปคารวาติเตียนพระก็บาปอืมค่ะแล้วก็บาปนี้ไม่ใช่บาปทั้ง11อย่างใช่ไหมคะคือ อย่างใดอย่างหนึ่งในสิบเอ็ดอย่างแต่ใน11อย่างจะเป็นอย่างไร <c oughs> คงจะต้องรบกว<ค>นท่านอาจารย์ในวันหลังนะคะวันนี้ในมสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนวัดป่าดอนไฮโกจงังหวัดอุดรธานีในห้าโอกาสนี้ค่ะ <c oughs> ในมสการค่ะ <c oughs> และสําหรับเราก็คงจะต้องลากันสั้นๆว่าอยากได้หนังสือที่เราแจกอยู่อาณาปานาสตินะคะพุทธวจนะล้วนๆโดยพระตถาคตแจกวันละเล่มเดียวตอนนี้ส่งมาที่ 0-2 269-0006 นะคะส่งความต้องการของท่านมาและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ